ข้อความบรรยายภาวะของนิพพานส่วนข้อความแบบบรรยายภาวะโดยตรงซึ่งมีอยู่ไม่กี่แห่งจะยกมาประกอบการพิจารณา 1. เรื่องหนึ่งว่าคราวหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมีคถาเกี่ยวกับนิพพานแก่ภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายได้ตั้งใจฟังเป็นอย่างดี ตอนหนึ่งพระองค์ได้ทรงเปล่งพระอุทานว่ามีอยู่นะภิกษุทั้งหลายอายตนะที่ไม่ใช่ปัทวีไม่มีอาโปไม่มีเตโชไม่มีวาโยไม่มีอากาสารัญใจยตนะไม่มีวิญญาณัญใจยตนะไม่มีอากินัญญายตนะไม่มีเนวสัญญานาสัญญายตนะไม่มีโลกนี้ไม่มีปโลกไม่มีดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ทั้งสองอย่าง เราไม่กล่าวอายตนะนั้นว่าเป็นการมาการไปการหยุดอยู่การจุติการอุบัติอายตนะนั้นไม่มีที่ตั้งอยู่แต่ก็ไม่เคลื่อนไปทั้งไม่ต้องมีเครื่องยึดน่วงนั่นแหละคือที่จบสิ้นของทุกสองอีกคราวหนึ่ง ทรงแสดงธรรมีคาถาเกี่ยวกับนิพพานแก่ภิกษุทั้งหลายเช่นเดียวกันและได้ทรงเปล่งพระอุทานเป็นคาถาว่าธรรมดาว่าอนัตตะคือภาวะที่ไม่โน้มไปหาพบคือไม่มีตัณหาได้แก่นิพพานธรรมดาว่าอนัตตะเป็นของเห็นได้ยากสัจจะไม่ใช่สิ่งที่เห็นได้ง่ายเลยชำระตัณหาได้แล้ว เมื่อรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งสัจจะย่อมไม่มีอะไรค้างใจเลยคือไม่มีอะไรที่จะติดใจกังวลสอีกคราวหนึ่งทรงแสดงธรรมีกระถาแก่ภิกษุทั้งหลายเช่นเดียวกันและได้ทรงเปล่นพระอุทานว่ามีอยู่นาภิกษุทั้งหลายอชาตะไม่เกิด อภูตะไม่เป็นอกตะไม่ถูกสร้างอสังคตะไม่ถูกปรุงแต่งหากว่าไม่เกิดไม่เป็นไม่ถูกสร้างไม่ถูกปรุงแต่งจากมิได้มีแล้วไซการรอดพ้นภาวะเกิดแล้วเป็นแล้วถูกสร้างถูกปรุงแต่งก็จะไม่พึงปรากฏในโลกนี้ได้เลยแต่เพราะเหตุที่มีไม่เกิดไม่เป็นไม่ถูกสร้างไม่ถูกปรุงแต่ง ฉะนั้นการรอดพ้นภาวะเกิดแล้วเป็นแล้วถูกสร้างถูกปรุงแต่งจึงปรากฏได้สอีกคราวหนึ่งทรงแสดงธรรมีกาถาเกี่ยวกับนิพพานแก่ภิกษุทั้งหลายเช่นเดียวกันและได้ทรงเปล่งพระอุทานว่ายังอิงอยู่จึงมีการไหวไม่อิงแล้ว ก็ไม่มีการไหวเมื่อการไหวไม่มีก็นิ่งสนิทเมื่อนิ่งสนิทก็ไม่มีการโอนเอ็นเมื่อไม่มีการโอนเอ็นก็ไม่มีการมาการไปเมื่อไม่มีการมาการไปก็ไม่มีการจุติและอุบัติเมื่อไม่มีการจุติและอุบัติก็ไม่มีที่พบนี้ไม่มีที่พบโน้นไม่มีในระหว่างพบทั้งสองนั่นแหละ คือที่จบสิ้นของทุกข์ 5. อีกเรื่องหนึ่งกล่าวถึงการที่พระพุทธเจ้าทรงแก้ไขความเห็นของพระพรหมโบราณเรียกว่าทรมานพระพรหมตามความย่อว่ากล่าวหนึ่งพระพรหมนามว่าพระกะเกิดมีความเห็นนันชั่วร้ายขึ้นว่าพรหมสถานะนี้เที่ยงยั่งยืน คงอยู่ตลอดไปเป็นทั้งหมดทั้งสิ้นไม่มีการแตกดับพรหมสถานะนี้แหละไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติและที่รอดพ้นเหนือขึ้นไปจากพรหมสถานานี้หามีไม่พระพุทธเจ้าทรงทราบความคิดของพรหมนั้นจึงเสด็จไปตรัสบอกแก่พระพรหมว่าพระพรหมตกอยู่ในอวิชชาเสียแล้วจึงกล่าวสิ่งที่ไม่เที่ยงเลยว่าเที่ยง กล่าวสิ่งที่ไม่ยั่งยืนเลยว่ายั่งยืนกล่าวสิ่งที่ไม่คงอยู่ตลอดไปว่าคงอยู่ตลอดไปที่รอดพ้นอื่นที่เหนือกว่ามีอยู่ก็กลับกล่าวว่าไม่มีที่รอดพ้นอื่นที่เหนือกว่าครั้งนั้นมารที่เข้างามพรมบริวารตนหนึ่งกล่าวกับพระพุทธเจ้าว่านี่เนะ่ะภิกษุท่านอย่าก้าวร้าวพระพรมนี้เพราะว่าพระพรมนี้แหละคือเท้ามหาพรม เป็นอภิภูคือองค์พระผู้เป็นเจ้าที่ไม่มีใครฝ่าฝืนได้เป็นผู้มองเห็นหมดสิ้นอย่างสรรพสัตว์ให้อยู่ในอำนาจเป็นอีสวนเป็นพระผู้สร้างเป็นพระผู้บรรดาลเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้จัดสรรโลกเป็นผู้ทรงอำนาจเป็นพระบิดาของเหล่าสัตว์ทั้งที่เกิดแล้วและที่จะเกิดต่อไปและอื่นๆพระพุทธเจ้าด้ตรัสห้ามมารเสีย มีความตอนท้ายว่าพระพรหมและบริษัทบริวารของพระพรหมทั้งหมดอยู่ในกรรมมือของท่านอยู่ในอำนาจของท่านแต่เราหาได้อยู่ในกรรมือของท่านหาได้อยู่ในอำนาจของท่านไม่เมื่อพระพรหมยืนยันว่าข้าพเจ้ากล่าวสิ่งที่เที่ยงแท้ทีเดียวว่าเที่ยงกล่าวสิ่งที่ยั่งยืนแท้ทีเดียวว่ายั่งยืนกล่าวสิ่งที่คงอยู่ตลอดไปแท้ทีเดียวว่าเป็นสิ่งที่คงอยู่ตลอดไป พระพุทธเจ้าจึงตรัสบอกให้พระพรหมทราบว่าพระพรหมยังไม่รู้ยังไม่เห็นอะไรอะไรที่เหนือกว่าพรหมนั้นอีกหลายอย่างแต่พระองค์ทรงรู้ทรงเห็นรวมทั้งวิญญาณภาวะที่พึงรู้ได้อั น, นิทัศนะมองด้วยตาไม่เห็นซึ่งปลายอีกอย่างว่าไม่มีอะไรเป็นเครื่องเปรียบเทียบคือเทียบกับอะไรไม่ได้สัพพโตประภาเป็นอ น, นันต์ สว่างแจ้งทั่วทั้งหมดหรือเข้าถึงได้ทุกด้านคือเข้าถึงได้ด้วยกรรมฐานทุกอย่างซึ่งภาวะปัตวีแห่งปัตวีเกาะกลุ่มไม่ได้ภาวะอาโปแห่งอาโปภาวะเตโชแห่งเตโชภาวะวาโยแห่งวาโยเกาะกลุมไม่ได้ภาวะสัตว์แห่งสัตว์ทั้งหลายภาวะเทพแห่งเทพทั้งหลายภาวะประชาบดีแห่งประชาบดี ภาวะพรหมแห่งพระพรหมภาวะอภัสระแห่งอภัสระพรหมทั้งหลายภาวะสุภกินหะแห่งสุภกินหะพรหมทั้งหลายภาวะเวหผละแห่งเวหผละพรหมทั้งหลายเกาะกลุ่มไม่ได้ภาวะพระผู้เป็นเจ้าแห่งพระผู้เป็นเจ้าเกาะกลุ่มไม่ได้สัพพภาวะแห่งสัพพสิ่งเกาะกลุ่มไม่ได้ครั้นพระพุทธเจ้าตรัสดังนี้แล้ว พระพรมจึงกล่าวว่าเอาละ่ะทีนี้เราจะหายตัวไปจากท่านละ่ะแต่พระพุทธเจ้าไม่ทรงอนุญาตพระพรมก็หายตัวไปไม่ได้พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าพระองค์จะทรงหายตัวบ้างแล้วหายพระองค์ไปตรัสให้พรมและบริสัทบริวารได้ยินแต่พระสุระเสียงว่าเราเห็นภายในภพและมองเห็นภพของประดาผู้สแสวงหาวิภพ เราจึงไม่พร่ำถึงพบไรๆและไม่ยึดติดนันทีคือภาวะตัณหาข้อที่6อีกเรื่องหนึ่งกล่าถึงภิกษุรูปหนึ่งเที่ยวไปทุกคหนแห่งจนถึงพรหมโลกเพื่อหาผู้ตอบคำถามเกี่ยวกับที่ทิฏฐาสีดับหมดไม่มีเหลือไม่ได้คำตอบในที่สุดต้องกลับมาทูลถามพระพุทธเจ้า ความย่อว่าภิกษุรูปหนึ่งเกิดความสงสัยขึ้นมาว่าที่ไหนหนอมหาพูดสรีเหล่านี้เหล่าคือปัทวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุวาโยธาตุย่อมดับไปไม่เหลือเลยเธอจึงเข้าสมาธิแล้วไปหาหมู่เทพพยายดาเริ่มแต่ชันจะาตุมหาราชิกาเป็นต้นไปถามปัญหาข้อนั้นเทวดาต่างก็ไม่รู้ และขอให้เธอไปถามเทพชั้นสูงต่อกันขึ้นไปตามลำดับจนถึงพรหมโลกพรหมทั้งหลายบอกเธอว่าพวกพรหมก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่มีเท้ามหาพรหมองพระผู้เป็นเจ้าซึ่งคงจะทราบพระภิกษุนั้นจึงถามว่าเวลานี้เท้ามหาพรหมนั้นอยู่ที่ไหนเล่าพรหมทั้งหลายก็ตอบว่าพวกพรหมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามหาพรหมอยู่ที่ไหนหรือทิศทางใด จะมีนิมิตให้เห็นเกิดมีแสงสว่างปรากฏโอภาษขึ้นพระพรมจักสําเดงพระองค์เองการเกิดมีแสงสว่างและปรากฏโอภาษนั่นแหละเป็นบุพานิมิตของการที่พระพรมจัดสําเดงพระองค์และต่อมามหาพรมก็ได้สําแดงพระองค์แก่ภิกษุนั้นครั้นแลภิกษุนั้นจึงเข้าไปถามปัญหานั้นกับมหาพรม มหาพรมแทนที่จะตอบคำถามกลับตรัสว่าเราคือพระพรมเท้ามหาพรมพระผู้เป็นเจ้าผู้ที่ฝ่าฝืนไม่ได้ผู้มองเห็นหมดสิ้นอย่างสรรพสัตว์ให้อยู่ในอำนาจเป็นอีสรนเป็นพระผู้สร้างเป็นพระผู้บรรดาลเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้จัดสรร์โลกเป็นผู้ทรงอำนาจเป็นพระบิดาของหลอสัตว์ทั้งที่เกิดแล้วและที่จะเกิดต่อไป พระภิกษุนั้นจึงกล่าวว่าข้าพเจ้ามิได้ถามท่านว่าท่านเป็นพระพรหมเท้ามหาพรหมพระผู้เป็นเจ้าและอื่นๆแต่ถามท่านว่ามหาผู้สี่ดับไม่เหลือณที่ไหนพระพรหมก็ตรัสอย่างเดิอมอีกว่าพระองค์เป็นมหาพรหมพระผู้เป็นเจ้าและอื่นๆภิกษุนั้นก็ถามอีกถึงครั้งที่สามพระพรหมจึงจับแขนภิกษุนั้น หาหลกออกไปข้างหนึ่งแล้วบอกเธอว่านี่นะ่ะท่านภิกษุพวกพระมเทพเหล่านี้ย่อมรู้จักข้าพเจ้าว่าอะไรอะไรที่พระพรหมไม่รู้ไม่เห็นไม่ทราบไม่แจ้งประจักษ์ย่อมไม่มีเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงไม่ตอบปัญหาต่อหน้าพวกพระมเทพเหล่านั้นนี่นะ่ะภิกษุข้าพเจ้าก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามาหาภูศีดับไม่เหลือณที่ไหนเพราะฉะนั้น จึงเป็นการทำผิดพลาดของท่านเองที่ละพระผู้มีพระภาคมาเที่ยวสแสวงหาคำตอบปัญหานี้ในภายนอกนิมนท์ท่านกลับไปเถอะจงเข้าไปทูลถามปัญหานี้กับพระผู้มีพระภาคและพึงถือตามที่พระองค์ตรัสตอบให้ในที่สุดภิกษุนั้นจึงมาทูลถามปัญหานั้นกับพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ตรัสตอบว่าไม่ควรถามว่ามหาผู้สี คือปัทวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุวาโยธาตุย่อมดับไม่เหลือณที่ใดแต่ควรถามว่าอาโปปัทวีเตโชและวาโยย่อมตั้งอยู่ไม่ได้ณที่ไหนยาวสั้นเล็กใหญ่งามไม่งามย่อมตั้งอยู่ไม่ได้ณที่ไหนนามและรูปย่อมดับหมดไม่มีเหลือณที่ไหนและมีคําตอบว่าดังนี้ วิญญาณภาวะที่พึงรู้ได้อ น, นิทัศนะมองด้วยตาไม่เห็นสัพพโตประภะเป็นอนันต์เข้าถึงได้ทุกด้านหรือสว่างแจ้งทั่วทั้งหมดที่นี้อาโปปัทวีเตโชละวาโย ο, ย่อมตั้งอยู่ไม่ได้ที่นี้ยาวสั้นละเอียดหยาบงามไม่งามก็ตั้งอยู่ไม่ได้ที่นี้น้ำแล้วรูปดับไปหมดไม่เหลือ เพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับที่นี้ในที่นี้นอกเหนือจากข้อความที่ปัญยายภาวะนิพพานแล้วได้นาเอาเรื่องราวที่เป็นเหตุการณ์แวดล้อมมาเล่าไว้ย่อๆด้วยเพราะเรื่องแวดล้อมอาจเป็นเครื่องประกอบการพิจารณาที่จะช่วยทำความเข้าใจได้ด้วยอย่างน้อยก็จะเห็นได้ว่าข้อความเหล่านี้ พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงแก่พระภิกษุซึ่งเป็นผู้มีพื้นความรู้ทางธรรมะอยู่แล้วหรือตรัสกับพระพรมที่เป็นเจ้าทิฏฐิเจ้าทิษฎีผู้ศึกษาบางท่านอาติความต่อไปอีกว่าสองเรื่องท้ายเป็นการแสดงคำสอนทางพุทธศาสนาพร้อมไปกับกำรับความเชื่อถือในศาสนาพราหมณ์โดยวิธีบุคลาธิฏฐาน ความละเอียดเหล่านี้จะไม่วิจารในที่นี้แต่พึงทราบว่าข้อความบรรยายภาวะของนิพพานเหล่านี้ได้ทำให้เกิดการตีความไปต่างๆและมีการถกเถียงหาเหตุผลมาแสดงแยกความเห็นกันไปที่เป็นเช่นนี้ปติความและคิดเหตุผลวาดภาพกันไปในสิ่งที่นึกไม่เห็นแต่ต้องปฏิบัติให้รู้เองดังเหตุผลที่ได้กล่าวมาแล้วประการหนึ่ง อีกอย่างหนึ่งคือการแปลความหมายคำบาลีบางคาเป็นเหตุให้ตีความหมายแตกต่างกันไปคนละทางเช่นคำว่าอายตนะในเรื่องที่หนึ่งบางท่านถือตามคำแปลที่ว่าแดนเราตีความหมายเป็นทินฐานหรือสถานที่บางท่านว่าหมายถึงมิติอีกอย่างหนึ่งคําว่าวิญญาณคําแรกในเรื่องที่ห้าและ6 บางท่านถือตามความหมายอย่างเดียวกับในคำว่าจะขู่วิญญาณโสตะวิญญาณเป็นต้นก็ตีความว่านิพพานเป็นวิญญาณอย่างหนึ่งแล้วแปลว่านิพพานเป็นวิญญาณที่เห็นด้วยตามไม่ได้เป็นต้นแต่ในอัธกถาท่านอธิบายว่าวิญญาณในที่นี้ใช้เป็นคำเรียกนิพพานแลวว่าภาวะพึงรู้ได้ อย่างที่แปลไว้ข้างตน้นจะเห็นได้ว่าในเรื่องที่หมีคำว่าวิญญาณสองครั้งวิญญาณคำแรกหมายถึงนิพพานโดยมีคำแปลต่างออกไปอีกอย่างหนึ่งและวิญญาณคำหลังในข้อความว่าวิญญาณดับหมายถึงวิญญาณที่เป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปอย่างที่อธิบายในปฏิจจสมุปบาทเรื่องเหล่านี้ จะยังไม่อธิบายหรือแสดงความคิดเห็นต่อไปอีกแต่ขอกล่าวถึงข้อควรระวังที่ว่าในเรื่องนิพพานนี้ไม่ควรตัดสินหรือลงข้อสรุปง่ายๆเพียงเพราะได้พบถ้อยคำหรือความหมายบางอย่างที่ตรงเข้ากับนิพพานชนิดที่ตนอยากให้เป็นหรือภาพนิพพานที่ตนคิดวาดเอาไว้ล่วงหน้าเราจะทาให้เกิดความยึดถือปากใจเหนียวแน่นในสิ่งที่ยังไม่รู้เห็นประจักษ์เอง และอาจหลงล่นผิดไปไกลทางที่ดีควรหันมาเน้นการปฏิบัติและคุณประโยชน์ที่พึงถือเอาได้จากการปฏิบัติอันตนจะลงมือทำได้จริงและเห็นผลประจักษ์เป็นคู่สมกันกับการปฏิบัติตลอดเวลาที่ก้าวหน้าทุกขั้นตอนไปเมื่อกล่าวถึงภาวะของนิพพานมีคำแสดงภาวะนิพพาน ที่สำคัญที่สุดคำหนึ่งคือคำว่าอสังคตะและว่าไม่ถูกปรุงแต่งคือไม่เกิดจากเหตุปัจจัยต่างๆปรุงแต่งขึ้นผู้ที่ช่างสังเกตจึงเกิดความสงสัยขึ้นว่านิพพานน่าจะเกิดจากเหตุเพราะนิพพานเป็นผลของมรรคหรือการปฏิบัติตามมรรคข้อสงสัยนี้มีคำตอบแก้สั้นๆโดยข้ออุปมาว่า การเปรียบการปฏิบัติเพื่อเข้าถึงนิพพานเหมือนการเดินทางไปเมืองเชียงใหม่จะเห็นว่าเมืองเชียงใหม่ที่เป็นจุดหมายของการเดินทางนั้นไม่ได้เป็นผลของทางหรือการเดินทางเลยไม่ว่าถนนหรือการเดินทางจะมีขึ้นหรือไม่ก็ตามเมืองเชียงใหม่ก็คงมีอยู่ถนนและการเดินทางเป็นเหตุของการถึงเมืองเชียงใหม่แต่ไม่ได้เป็นเหตุของเมืองเชียงใหม่เช่นเดียวกับมรัก และการปฏิบัติตามมัคเป็นเหตุแห่งการบรรลุนิพพานแต่ไม่ใช่เหตุของนิพพานในเรื่องนี้คำพีมิลินทปัญหาก็พูดไวพุทธพจน์ตอไปนี้เป็นเครื่องแสดงว่าพระพุทธเจ้าทรงยืนยันว่าการบรรลุนิพพานและธรรมะชั้นสูงอื่นๆเป็นสิ่งมีอยู่และเป็นไปได้จริง ในเมื่อทมดวงตาคือปัญญาให้เกิดขึ้นดังพุทธพจน์ทรัฐโ ต, โตมติของพราหมณ์คนหนึ่งผู้เห็นว่าเป็นไปไม่ได้ที่มนุษย์จะรู้จะเห็นยานัศนะวิเศษยิ่งกว่าธรรมดาของมนุษย์มีความดังนี้นี่นะ่ยมนกเปรียบเหมือนคนตาบอดแต่กำเนิดเขาไม่เห็นรูปดำรูปขาวรูปเขียวรูปเหลืองรูปแดงรูปสีชมพูรูปที่เรียบและไม่เรียบ ไม่เห็นหมู่ดาวดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ถ้าเขากล่าวว่ารูปดำรูปขาวไม่มีคนเห็นรูปดำรูปขาวก็ไม่มีคนเห็นรูปเขียวก็ไม่มีคนเห็นดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ก็ไม่มีข้าพเจ้าไม่รู้ข้าพเจ้าไม่เห็นสิ่งนั้นๆเพราะฉะนั้นสิ่งนั้นๆย่ยอมไม่มีเมื่อเขากล่าวดังนี้จะชื่อว่ากล่าวถูกต้องหรือมานพมานพทูลตอบว่าไม่ถูกต้อง พระองค์จึงตรัสต่อไปว่าข้อนี้ก็เช่นกันพระามปกรางาติโอปมัญโตดผู้เป็นใหญ่ในสุภควันเป็นคนมืดบอดไม่มีจักษุการที่เขาจะรู้เห็นหรือบรรลุญาณทัศนวิเศษอันสามารถอันประเสริฐเหนือความมนุษยธรรมจึงเป็นไปไม่ได้แม้จะได้สะดับข้อความแสดงภาวะของนิพพานกันมาถึงเพียงนี้ และแม้ว่าจะได้คิดตีความหรือนำมาถกเถียงหาเหตุผลกันเพื่อหาความเข้าใจว่านิพพานเป็นอย่างไรแต่ตราบใดที่ยังไม่ได้ปฏิบัติจนเข้าถึงและรู้เห็นแจ้งประจักษ์ด้วยตนเองก็พึงเตือนสติกันไว้ว่าภาพความเข้าใจเกี่ยวกับนิพพานของผู้ศึกษาทุกคนก็คงมีลักษณะาอาการอันเทียบได้กับภาพช้างในความคิดความเข้าใจของพวกคนตาบอดคลำช้าง ดังความยอ่อในบาลีต่อไปนี้สมัยหนึ่งในนครสาวัตถีสมณะพรามปริภาชกจำนวนมากต่างลัทธิต่างทฤษฎีต่างก็ยึดถือลัทธิทฤษฎีของตนว่าอย่างนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเท็จทั้งนั้นแล้วเกิดทะเลาะวิวาทใช้หอกคือปากทิมแทงกันว่าธรรมะเป็นอย่างนี้ธรรมะไม่ใช่อย่างนี้ ธรรมะเป็นอย่างนี้ภิกษุ์ทั้งหลายนำความกราบทูลแด่พระพุทธเจ้าพระองค์จึงตรัสเล่าว่าเรื่องเคยมีมาแล้วราชาพระองค์หนึ่งในนครสาวัตถีได้ตรัสสั่งราชบุรุษให้ไป น, นำเอาคนตาบอดแต่กำเนิดทั้งหมดเท่าที่มีในเมืองสาวัตถีมาประชุมกันพรั้นแล้วโปรดให้นำช้างตัวหนึ่งมาให้คนตาบอดเหล่านั้นทาความรู้จัก ราชบุรุษแสดงสีสะช้างแก่คนตาบอดพวกหนึ่งบอกว่าช้างอย่างนี้นะแสดงหูช้างแก่อีกพวกหนึ่งบอกว่าช้างอย่างนี้นะแสดงงาช้างแก่อีกพวกหนึ่งแสดงงวงช้างตัวช้างเท้าช้างหลังช้างหางช้างปลายหางช้างแก่คนตาบอดทีละพวกทีละพวกไปจนหมดบอกว่าช้างอย่างนี้นะช้างอย่างนี้นะเสร็จแล้วกราบทูลพระราชาว่า คนตาบอดทั้งหมดได้ทำความรู้จักช้างเสร็จเรียบร้อยแล้วครั้งนั้นพระราชาจึงเสด็จมายังที่ประชุมคนตาบอดแล้วตรัสถามว่าพวกท่านได้เห็นช้างแล้วใช่ไหมคนตาบอดก็กราบทูลว่าข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้เห็นแล้วพระเจ้าคะ่ะพระราชาจึงตรัสถามต่อไปว่าที่ท่านทั้งหลายกล่าวว่าได้เห็นช้างแล้วนั้นช้างเป็นอย่างไร ราวนั้นคนตาบอดได้คลำศีษะช้างก็ว่าช้างเหมือนหม้อคนที่ได้คลำหูช้างก็ว่าช้างเหมือนกระดงคนที่ได้คลำงาช้างก็ว่าช้างเหมือนผานคนที่ได้คลำงวงช้างก็ว่าช้างเหมือนงอนไถคนที่ได้คลำตัวช้างก็ว่าช้างเหมือนยุงข้าวคนที่ได้คลำเท้าช้างก็ว่าช้างเหมือนเสา คนที่ได้คลำหลังช้างก็ว่าช้างเหมือนโรกตามข้าวคนที่ได้คลำหางช้างก็ว่าช้างเหมือนสากคนที่ได้คลำปลายหางช้างก็ว่าช้างเหมือนไม้กวาดเสร็จแล้วคนตาบอดเหล่านั้นก็ได้ทุ่มเถียงกันว่าช้างเป็นอย่างนี้ช้างไม่ใช่อย่างนั้นช้างไม่ใช่อย่างนั้นช้างเป็นอย่างนี้จนถึงชกต่อยกันชุนละมุนเป็นเหตุให้พระราชานั้น ทรงสนุสนานพระไทยแหล่ท้ายสุดพระพุทธเจ้าได้ทรงเปล่งอุทานเป็นคาถาความว่านี่หละหนอสมณะและพรามบางพวกย่อมมัวติดข้องกันอยู่ในสิ่งที่เป็นทิฏฐิทิษฎีเหล่านี้คนทั้งหลายผู้เห็นเพียงส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งพากันถือต่างถือแยง้งจึงทะเลาะวิวาทกัน